ท่านยังเปรียบเหมือนอย่างว่ามีนายทวารบาลคือนประตูรักษาประตูทั้งหกในบ้านนี้คือในร่างกายของตนมีสติรักษาตาในขณะที่เห็นอะไร ทางตารักษาหูในขณะที่ได้ยินอะไรทางหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายในขณะที่ทราบอะไรทางจมูกทางลิ้นทางกายและรักษามโนโคือใจเองในขณะที่คิดเรื่องอะไรรับเรื่องอะไรมีสติคอยเตือนใจอยู่รักษาใจอยู่ ไม่ให้อารมณ์กับจิตมาต่อเชื่อมกันอันนําให้มันเกิดราคะโทสะโมหะเป็นตัวกิเลสโดยสติที่จะลึกรู้อยู่วันนี้เป็นอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกิเลสนี่อารมณ์กําลังจะมาเชื่อมกับจิตทําจิตให้เป็นกิเลสขึ้นแล้วและ ห้ามมิให้จิตรับเอาอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาตรงจิตมีสติคอยรักษาอยู่ก็เป็นโอกาสของปัญญาคือตัวความรู้ที่จะมาช่วยตับเตือนใจร่วมกับสติว่านี้ดีนี่ไม่ดีนี่ควรรับนี่ไม่ควรรับอะไรที่ไม่ดีไม่ควรรับก็ไม่รับเข้ามา ให้ทิ้งอยู่แค่ตาแค่หูแค่จมูกแค่และแค่ใจที่รู้เรื่องที่แรกนั้นแต่ไม่รับเข้ามาปรุงใจดังนี้เป็น ต, ตัวสติหัดทำสติให้มีประจำใจรักษาใจคอยระลึกรู้คอยเตือนใจอยู่เสมอดังนี้นี่แหละเรียกว่าตัวอินทสียสังวร คือความสำรวมอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายละมนะคือใหญ่เพราะว่าตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรส กายเป็นใหญ่ในในใ น, ในการถูกต้องและมโนปเป็นใหญ่ในการรู้เรื่องคิดเรื่องและนอกจากนี้หากไม่มีสติคอยรักษาอยู่ดังกล่าวตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจ ยังมาเป็นใหญ่ครอบงำจิตใจอีกด้วยทําให้จิตใจนี่ต้องปฏิบัติไปตามอานาจของกิเลสเช่นว่าอยากดูอะไรทางตาก็ต้องไปดูอยากได้ยินอะไรทางหูก็ต้องไปให้ได้ยินได้ฟัง <c oughs> เหล่านี้เป็นต้นก็ยิ่งเป็นใหญ่ครอบงำ คนเราจึงต้องปฏิบัติเอาอกเอาใจตาหูจมูกลิ้นกายคือใจอยู่ตลอดเวลาก็ล้วนแต่หาเรื่องต่างๆมาป้อนให้ตาหูจมูกลิ้นกายและมันะคือใจทั้งนั้นและเมื่อดูลึกซึ้งเข้าไปอีกแล้วก็คือป้อนให้แก่ตัวกิเลสนี้เองซึ่งตั้งอยู่ในจิตใจ เพราะเหตุที่รับอารมณ์ทั้งหลายทางตาหูเป็นตนนั้นเข้ามาปรุงจิตใจให้เป็นกิเลสแล้วก็ต้องไปปฏิบัติเอา อ, อกเอาใจกิเลสมาป้อนกิเลสตามที่กิเลสต้องการให้มีสติพร้อมทั้งปัญญารับรู้ดังนี้อยู่เสมอในเวลาที่เห็นอะไรได้ยินอะไรทุกอย่างก็เป็นอินทรียสังวร จึงเป็นศีลที่อยู่ในระหว่างของตัวศีลภายนอกเองกับศีลที่เป็นตัวศีลภายในตลอดไปถึงสมาธิและนอกจากนี้ก็ต้องตั้งสติไว้ในทางที่ดีที่ชอบมาเรียกว่าสัมมาสติในมหาสติปัฏฐานสูตร หรือในสติปัฏฐานที่ตรัสสอนให้ตั้งสติทาสติให้ปรากฏตรัสสอนให้หัดทาสติตั้งอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมสี่ประการเป็นหัวข้อใหญ่ และได้ตรัสสอนจำแนกออกไปในข้อากายนั้นก็ตั้งตนแต่ให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกจิตที่เคยคิดไปในเรื่องต่างๆภายนอกต่างๆนั้นก็ให้นำกลับเข้ามาหัดคิดกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกของตนเอง เราสั้นๆในวันนี้ว่าให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้ตั้งต้นแต่รัดสอนให้เข้าไปสู่ป่าเข้าไปสู่คนไม้เข้าไปสู่เรือนว่าง คือเข้าไปถู่สู่ที่สงบดังในที่นี้แม้จะอยู่ด้วยกันมากก็กล่าวได้ว่าเป็นเรือนว่างได้เพราะว่าต่างคนต่างตั้งอยู่ในความสงบไม่แสดงความไม่สงบทางกายทางวาจาดฉะนั้นก็ชื่อว่าเรือนว่างได้ คือเข้าไปสู่ที่สงบนั่นเองและตรัสสอนให้นั่งขัดบันลังคือขัดสมาธิหรือขัดสมาธิที่นิยมปฏิบัติกันก็ใช้ขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายและตั้งกายตรงมือทั้งสองวาง ให้นิ้วหัวแม่มือชนกันมือขวาทับมือซ้ายหรือจะวางให้นิว้วเพียงให้นิ้วชนกันก็ได้หรือจะวางให้ห่างกันก็ได้ไม่ดมีกำหนดไว้ดำรงสติยำเพาะหน้า กำหนดเข้ามาที่ให้ลมให้ใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่ริมผิปากเบืองบนอันเป็นจุดที่ลมกระทบให้ใจเข้า้าให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้และหากว่าจะใช้วิธีนับให้ใจเข้านับหนึ่งให้ใจออกนับหนึ่ง เรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ตั้งตนใหม่ดังนี้ก็ได้หรือจะไม่ใช้วิธีนับใช้วิธีพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้เป็นการช่วยทำให้จิตรวมเข้ามาตั้งอยู่ได้เพราะฉะนั้นในวันแรกนี้จะหัดทาสติเพียงเท่านี้ก่อนก็ได้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 ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตตภาวนาการอบรมจิต หรือกรรมฐานทั้งที่เป็นฝ่ายสมาธิหรือสมถะทั้งที่เป็นฝ่ายปัญญาหรือวิปัสสนาเป็นข้อที่ ทุกๆคนควรฝึกปฏิบัติโดยมีศีล ที่นิยมปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปก็คือหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ที่ได้เริ่มสวดและเริ่มแสดงสำหรับในพัสการนี้ ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ในเบื้องต้นก็มีวิธีปฏิบัติซึ่งได้นิยมใช้กันอยู่ แต่เมื่อรวมเข้ามาแล้วก็คือความตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกุลน แม้ว่าทุกคนภูเป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนาต่างก็ได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระกันอยู่แม้เช่นนั้นในเวลาที่จะปฏิบัติทุกครา ก็ให้ตั้งใจถึงอีกด้วยวิธีน้อมใจถึงพระพุทธเจ้ากระทํรประสงค์เป็นสรณะคือที่พึงอันเอกอุดม จะคา้ภาวนาในใจว่าบุทธังสนังกัชามิทำมังสนังกัชามิสร้างขังสนังกัชามิดุติยัมปิตัติยัมปิก็เช่นเดียวกันดังนี้ก็ได้ หรือจะใช้บทว่านัตทิเมสนังอัญญงที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีบุตรโเมสนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรมโมเมสนังวรัง นั่ทำเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสร้างโคเมสรณังวรังประสงค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนัสัจวัตเยนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้สิเมโฮุสบรนดา ขอความสวัสดีจงมีเกศขวายเจ้าทูกเมื่อดังนี้ก็ได้และบทนัดทีเมนี้เป็นอันได้ตั้งใจถึง พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมอันเอกก็คือเพียงอย่างเดียวอันหมายความว่าสารณะคือที่พึ่งอันประเสริฐหรืออันอุดมคือสูงสุดนี้ มีแต่พระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวไม่มีที่พึ่งอื่นที่ประเสริฐสูงสุดเป็นอัน ทำจิตให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์รวมจิตเข้าหาพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์นี้เป็นข้อที่ริบัติ เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองต่อไปก็ตั้งใจตรวจดูจิตพร้อมทั้งกายวาจาที่ได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะดังนี้ย่อมจะพบว่า จิตใจพร้อมทั้งกายแล้ววาจามีความสงบเป็นปกติเพราะว่าเมื่อเข้าไปสู่วัตถุคือที่ตั้งอันสงบอันเป็นปกติ อันประเสริฐอันสูงสุดก็ย่อมจะทำให้ก า, ายวาจาใจสงบเป็นปกนติและยังอาจประกอบด้วยปีติสมนัสในพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้าประทมประสงค์ก็ให้มีความสำนึกว่าอันนี้แหละเป็นตัวศีลที่บังเกิดสืบเนื่องมาจากสาณะ ก็อให้ตั้งใจรักษาศีลคือความสงบเป็นปกติกายวาจาใจนี้ไว้ทุกคนแม้ว่าจะได้สมาหันศีลห้าศีลแปดก็ตาม หรือเข้าบดเป็นภิกษุสมณนนีก็เป็นอันว่าได้สมาทานศีล227หรือศีล10ก็ตามแต่ว่าเมื่อปฏิบัติก็ให้ทำศีลทั้งปวงที่สมาทานนั่นมาประมวลเข้า ในศีลที่ได้จากสานนนี้คือความเป็นปกติสงบหรือสงบเป็นปกติกายว่ า, จาใจอันสืบเนื่องมาจากถึงสรณะเป็นศีลที่ได้จากสาณะนี้ด้วยและรักษาศีลอันเป็นตัวศีลดังกล่าวนี้ไว้ ตัวศีลดังกล่าวนี้ไม่มีว่าห้าคอสิบข้อหรือกี่ข้อก็อตามแต่ว่าเป็นความปกติสงบหรือสงบเป็นปกติกายวาจาใจเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติเตรียมกายวาจาใจพร้อมที่จะทำสมาธิต่อไปโดยที่ได้ตั้ง ว่าจะปฏิบัติในสมาธิในกรรมฐานข้อไหนและก็ให้น้อมใจไปถึงกรรมฐานข้อที่จะปฏิบัตินั้น และจะอธิษฐานจิตขออำนาจสารณะที่ถึงคือพระดนตรได้คุ้มครองรักษาจิตของตน เรี่อการปฏิบัติของตนให้ดำเนินไปด้วยดีแล้วก็บัดในการจับปฏิบัตินี้ วิธีจับปฏิบัติกรรมฐานที่ควรถือเป็นบุพภารคือเบื้องตน้นเพื่อที่จะอบรมจิต ให้สงบกิเลสนิวรและให้น้อมเข้ามาสูต่ตัวความสงบจิตอันเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิ ก็ย่อมจะทำได้กรรมฐานอันเป็นบุปผาภากก็คือพรโมวิหารธรรมตั้งจิตแผ่เมตตาแผ่กรุณา์แผ่มุทิตาแผ่อุเบกขา ไปในสรประสัดทุกทวนนาในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องขวาในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายในทิศเบื้องบน ในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องขวางโดยรอบให้เป็นอัปมัญญาภาวนาคืออบรมแพ่จิตไป ด้วยพระมบิหารธรรมทั้งสี่นี้ในสนรรพสัตว์ไม่มีประมาทเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะสงบจากโทสะพยาบาท จากสิเนหาด้วยอำนาจของเมตตาจะสงบจากวิเหสาหรือวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนและโทมนัส คือความเศร้าโศกเสียใจด้วยอำนาจของกรุณาจะสงบจากความริษยาและโสมนัสความพลอยยินดีตื่นเต้นอยากได้ ด้วยอำนาจขอมุธิตาจะสงบจากราคะความติดใจยินดีและปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งกับทั้งัญญานุเบกขาคือความหวังเฉยด้วยความไม่รู้ ด้วยอำนาจของอุเบกขาฉะนั้นจึงเป็นจิตที่อ่อนควรแกาการงานคือควรที่จะปฏิบัติอบรมกรรมฐานสืบต่อไป การปฏิบัติทำพรมวิหารธรรมให้มีขึ้นนี้เป็นกรรมฐานที่ควรปฏิบัติเป็นประจำในเบื้องต้น เรียกว่าเป็นกรรมฐานที่เป็นบุพพภาคคือเป็นส่วนเป็นภาคเบื้องตน้นและอีกข้อหนึ่งก็คือกายกตาสติสติที่ไปในกายหรืออสุภกรรมฐาน พิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามคือกำหนดพิจารณาอาการส1สหรือ3า